มงกุดไพรเล่มสาตอนที่197อกีกฝ่ายหนึ่งเงียบกริบหล่อนจึงขยมแก้มของเขาพลางคาดคั้นว่าไม่ต้องมาทำเฉยได้ยินที่ฉันพูดนี่ไหมครับได้ยินแจ่มแจ้งทั้งสองรูหูนี่ทีเดียวแล้วทำไมถึงเงียบไปไม่เห็นตอบอะไรมาเลยผมกำลังคิดเปรียบเทียบอยู่ในขณะนี้ว่าสมัยเป็นจิตราขนางก็ยังไม่น่ารักน่ากลัวเท่ากับเป็นสมัยดารินวราฤทธิ์ ในชาตินี้แน่และสิจิตรางคขนางโง่จะตายไปโกรธแค้นคนรักที่ฆ่าพ่อตัวเองพอไปท้ารบเขาไม่สู้แทนที่จะเอาหอกเสียบอกเสียกลับขี่มา้ากลับเข้าค่ายไปดื่มยาพิษฆ่าตัวตายมันไม่ใช่เรื่องเลยความจริงชีวิตของคุณนะ่ะอยู่ในกำมือของฉันแล้วตอนนั้นฉันอยู่บนหลังม้าสึกมีอาวุธพร้อม แต่คุณยืนอยู่กับพื้นมือเปล่าและยอมออกมาให้ค่าซสด้วยจิตตรางคนางไม่งกเสียงเขาพูดครึมคมหางเสียงจริงจังนางรู้ดีว่าอคนิรุธไม่ได้มีเจตนาที่จะสังหารพระบิดาของนางเลยมันเป็นการเข้าใจผิดเป็นอุปัตตวเหตุและขณะที่นางควบมาออกมาหน้าค่ายของอคนนรุตท้าให้ออกไปดวนนั้นอคเนรุธก็ออกไปหาโดยดีด้วยมือเปล่า ยอมรับผิดสารภาพความจริงใจทั้งหมดและพร้อมที่จะชดเชยชีวิตของตนเองให้ด้วยน้ำมือของนางเองซึ่งนางก็รู้ดีอยู่แล้วว่าถึงแม้จะสังหารอคาัคนนรุธไปก็ไร้ประโยชน์จึงละเว้นให้และที่กลับไปสู่ค่ายของตนและดื่มยาพิษปิดชีพตนเองก็เพราะเหตุผลสองประการคือ 1. พระเจ้าอาขบดกลางศึกยึดอำนาจของนางไว้แล้ว 2. ราชปโรหิตมันตรัยก็คุกคามรุกร้าวในด้านความรักความพิศวาสเป็นเรื่องที่นางไม่อาจจะทนทานต่อไปได้ทั้งสองสิ่งทางออกที่ดีที่สุดของขติยานารีผู้กล้าหาญและมีใจรักเดียวก็คือการปริกชนชีพของตนเองเสียเพื่อตัดปัญหาทั้งปวงอ้อนี่ยังปกป้องออกรับแทนอยู่เต็มที่ทีเดียวนะยังติดใจผูกพันกับจิตตางนางมากนกหรือ ผู้หญิงคนนั้นในชาตินั้นก็คือผู้หญิงคนนี้ในชาตินี้คนเดียวกันนั่นแหละถ้าผมไม่ได้ผูกพันกับคนนั้นแล้วผมจะมาผูกพันกับคนนี้ได้ยังไงหยุดพูดถึงอดีตฉันต้องการให้คุณหันมาสนใจกับปัจจุบันและอนาคตลืมจิตตราคางเสียีและหันมาสนใจกับดารินคนนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจผมอยากหลับจังที่นี่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ แคบถักของคุณหญิงหลับสิคารพินคุณคงอ่อนระโห่วยโรยแรงเป็นที่สุดแล้วสําหรับวันนี้แล้วฝ่ายของคุณหญิงที่อยู่กันยังปราศจทกับฝ่ายของผมที่พักกันอยู่ในปราสาทหน้าศเขาคงจะอัศจรรย์กันไปหมดว่าเราสองคนหายไปไหนถ้าพวกเขาบังเอิญตื่นขึ้นมาตอนนี้ช่างเขาทั้งสองฝ่ายนั่นแหละพรุ่งนี้เช้าถ้าพวกเขาสงสัยก็คงจะตามออกมาดูเอง และคงพบเรานอนหลับอยู่ด้วยกันที่ศาลาปาริชาตินี่คงจะไม่เหมาะกระมังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมคงยังหลับลงไปไม่ได้หรอกตราบใดที่หัวใจยังติดข้องอยู่กับสารพัดปัญหาทุกคนของฝ่ายคุณหญิงที่เดินทางมาด้วยกันปลอดภัยเรียบร้อยดีหรือเปล่าครับทุกคนปลอดภัยเรียบร้อยดีมากมีแต่ชั้นคนเดียวเท่านั้นที่สบักสะบอมกว่าทุกคนเกือบตายก็ตั้งหลายครั้งบางขณะ หลงพระจากพักพวกไปคนเดียวเป็นเวลาตั้งหลา ย, ลายวันบางขณะก็จับไข้ล้มป่วยลงฉันลำบากยิ่งกว่าสมัยเมื่อมากับคุณครั้งก่อนเสียอีกอยู่กันครบไม่มีใครล้มหายตายจากโดยเฉพาะพวกลูกบ้านของผมที่คุณหญิงเอามาด้วยครบรวมทั้งหมด16คนลูกหาบสิบเราพี่น้องสามคนชายยันนานอินและขยินเป็นบุญเหลือเกินบุญจริงๆ ที่บุกบั่นมาถึงที่นี่จนได้และเป็นการกะคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำ ม, มากซ้ำยังโชคดีกว่าผมที่มหาฤาษีโกธั ญ, ญะสั่งให้วายานำทางให้แก่คุณหญิงเอามาส่งจนถึงส่วนกึ่งกลางของถนนพระศิวะสำหรับทางด้านผมตั้งเข็มเลี่ยงภูเขาในละการมาเพื่อหวังจะให้ย่นระยะทางที่สุดแต่แล้วก็กลับปรากฏว่าหนทางยิ่งลาบากยากเย็นที่สุด ถ้าแงซายไม่ไปเข้าฝันชี้บอกทิศทางให้ป่านนี้ผมก็คงหลงงมหาทางขึ้นอยู่แถวเชิงเทือกพระศิวะอยู่นั่นเองขณะที่ผ่านนิทรานครมานั้นผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเหตุใดมันตรายจึงไม่ปรากฏตนขึ้นรังควานคณะของเราอีกเงียบหายสนิทไปเลยก็เพิ่งจะมารู้ความจริงจากคุณหญิงนี่เองว่าไอ้ผีดิบนั่นได้พินาตเด็กขาดไปแล้วด้วยฝีมือของคุณหญิงเอง ไม่เอาอย่าไปเอ่ยถึงสิ่งสยองขวัญชั่วร้ายนั่นอีกเลยฉันอยากจะลืมมันเสยให้สนิททีเดียวเหมือนเหมือนกับได้ฝันร้ายไปชั่วขณะเท่านั้นดารินบอกสวนมาโดยเร็วขณะที่ใช้นิ้วแตะริมฝี ป, ปากเข้าไว้คราวนี้ให้ฉันเป็นฝ่ายถามคุณบ้างได้ไหมคะเชิญครับผมพวกคุณทั้ง20สิบคนที่มาด้วยกันละ่ะเป็นยังไงบ้างรพินเหลือบตาขึ้นมองดูเจ้าของตัก ซึ่งบัตรนี้มองยิ้มยิ้มจับมาที่เขาตลอดเวลาแล้วคุณหญิงทราบรายละเอียดถึงจำนวนฝ่ายผมถึงขนาดนี้เลยหรือครับขอให้คุณรู้ไว้ด้วยเถิดว่าก่อนจะออกเดินทางติดตามมานี่ฉันมีประวัติของแต่ละบุคคลอยู่ในมือหมดแล้วว่าใครเป็นใครบ้างขนาดลูกหาบสองคนของคุณไปตายลงในระยะต้นต้นทางและคุณก็ได้กะเรียงอูทะกับกะเรียงพัโตมาทดแทนฉันก็ยังรู้นี่นะ ก็เรียกว่าสาวรอยหาร่องกันทุกระยะนั่นแหละบอกแล้วยังไงว่าเพิ่งจะมาหลงพลัดรอยตรงนิทานนครนั่นแหละโอ้เขาครางออกมาแล้วเอ็ต้นคอลงไปพักพิงตักหล่อนตามเดิมคุณหญิงยังกับมือพรานอาชีพก็ไม่ปานอย่าลืมสิคะว่าฉันคือลูกศิษย์ของใครใครสอนฉันไว้ถ้าฉันไม่มีครูผู้ถ่ายทอดสารพัดวิชาของการเดินป่าให ฉันก็คงมาไม่ถึงที่นี่หรอกจริงผมลืมไปสีอย่างสนิทและอาจคิดประมาณการคุณหญิงเป็นในเกณฑ์ต่ำเกินไปครับพวกผม20สิบคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยถึงแม้จะทุรักทุเล ก, กันสักขนาดไหนก็ลากสังขารกันมาถึงมรดกนครของจักรราชได้โดยปลอดภัยมีชีวิตอยู่กันครบถ้วนหมดทุกคนเหมือนกันแต่ละคนเฉียด ต, ตายกันคนละหลายสิบครั้งทั้งโรคภัยไข้เจ็บ และภผยจากป่าผมก็เหมือนคุณหญิงเหมือนกันในการนำทางมาคราวนี้ผมดูจะแย่หนักกว่าทุกคนป่วยหนักอยู่ก็หลายครั้งโรคเก่าเป็นไข้หมดสติจับสั่นพิการไปชั่วขณะก็มีบ้างเป็นครั้งคราวมาลาเรียกับผมเป็นญาติสนิทกันมานานแล้วคุณหญิงก็ทราบดีเขาบอกเรียบๆพร้อมกับยักไหล่นิดหนึ่ง เ่เท่าที่ฉันรู้มีอาการหนักที่เกิดใหม่สำหรับคุณด้วยใช่ไหมเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดกับคุณมาก่อนเลยแต่มาโดนเอาหนักแทบตายในครั้งนี้คืออาการที่เลือดไม่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงสมองเส้นโลหิตตีบลงชั่วขณะทำให้เป็นลมหมดสติล้มทั้งยืนเลยระพผินอ้าปากค้างงุนงงเอ๊ะคุณหญิงทำไมถึงทราบล่ะครับหลอนหรอบแผ่วเบา เอานิ้วลูกคิ้วของเขาอย่างปราณีหลับตาลงครั้งใดฉันก็มองเห็นคุณทุกครั้งไปแต่มันเป็นภาพเหตุการณ์ที่ร้ายๆทั้งสิ้นกระแสจิตของฉันก็แรงกล้าพอสมควรเหมือนกันนะในการติดตามคุณมาในครั้งนี้เพียงแต่ยังไม่แรงพอที่จะมองเห็นได้ว่าคุณอยู่ในตำแหน่งไหนแน่นอนเท่านั้นไม่ฉะนนั้นก็คงสกัดทันระหว่างทางแล้วคุณหญิงมองเห็นหมายถึงฝันเห็น ดารินอมยิม้มเลิกคิ้วขึ้นใช่แล้วถูกต้องไหมล่ะพรานใหญ่ถอนใจยาวรับว่าครับถูกต้องผมเกือบสิ้นชื่อไปแล้วบนริมชายฝั่งของทะเลสาบเหนือยอดเขาหมดสติไปนานทีเดียวพวกนายจ้างเขาไม่ยอมให้ผมตายหนีไปง่ายๆเลยก็เลยพยายามช่วยกันกู้ชีวิตขึ้นมาเขาบอกว่าผมเป็นโรคเครียดหนักเพราะ เพราะคิดถึงคนที่ผมรักเหรอเขาบอกอย่างนั้นด้วยเอตอนนี้ฉันมองไม่เห็นในความฝันนะเป็นความจริงครับหมอบอกกับผมอย่างนั้นหมอคนไหนผมแดงหรือผมทองหลอนถามหน้าตาเฉยแววตามีประกายล้อเรียนระพินหัวเราะมองสบตาหลอนโดยไม่หลบผมแดงเป็นแพทย์อย่างแท้จริงครับ แต่ผมทองเป็นสัญยาแพทย์เหมือนคุณหญิงทว่าถูกยึดใบประกอบโรคศิลป์ไปแล้วจึงเป็นแต่เพียงนักเคมีฟิสิกทั้งสองคนเชี่ยวชาญมากในเรื่องวิเคราะห์โรคและการรักษาเยียวยาถ้าไม่ได้สองคนนั่นผมตายไปนานแล้วจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งมาคราวนี้อ่อนแอผิดไปมากพวกเขาดูแลคุณอย่างดีหรือดีมากที่สุดครับดีเกินคาดคิด ซึ่งก็ควรจะต้องเป็นเช่นนั้นเพราะถ้าผมตายลงไปใครจะนำทางให้แก่พวกเขาฉันภาวนาอธิษฐานขอพรฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเอาไว้แล้วขอให้พวกเขาเหล่านั้นจงเมตตาอนุเคราะห์คุณด้วยเถิดขอฝากคุณไว้กับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงสองคนนั้นทำไมจะต้องภาวนาอย่างนั้นด้วยไม่ใช่เรื่องรพินทาเสียงต่าๆในลาคอ ก็ฉันเป็นห่วงคุณนี่คะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะดูแลรักษาคุณได้ในขณะนั้นก็ต้องหวังพึ่งเข้าทั้งสองคนนะสิถ้างั้นก็ไม่ผิดหวังหรอกครับคำภาวนาของคุณหญิงได้ผลเต็มที่ประชดหรือไม่ได้ประชดแต่บอกไปตามตรงผมไม่ชอบใจในการที่คุณหญิงจะฝากผมไว้กับผู้หญิงคนไหนแม้จะเป็นเพียงความคิดหรือคอําพาณนาก็ตามอ้าวเป็นอย่างนั้นไป นี่กินปูนร้อนทองอะไรหรือเปล่านะไม่ได้กินปูนแล้วก็ไม่ได้ร้อนทองอะไรทั้งนั้นแหละครับรพินไพยวันเป็นคนอย่างไรคุณหญิงรู้แน่แก่ใจดีอยู่แล้วมิพูดเปล่ารพินเอาฝ่ามือตบไปที่ตะโพกดารินค่อนข้างแรงหลอนรอออกมาเบาๆนณดูซินี่มาตีฉันทาไมเข้าหัวเราะแล้วใช้จมูกจูบครึงตรง ต, ตาแหน่งที่ฟาดฝ่ามือลงไปนั้นพึมพำ นึกมันเคี้ยวก็ตีลงไปยังงั้นเองแหละรักจังถ้ากลืนได้ก็จะกลืนเอาไว้ในอกซิเลยสำหรับยอดหญิงคนนี้หลอนพลิกใบหน้าเขาขึ้นมาดูและเอานิ้วเคาะเบาๆที่หน้าผากขี้เล่นน่ารักผิดไปจากสภาพของรพินไพยวันที่เคยเห็นมาก่อนนี่จะเป็นอาการกรบกลืนร่องรอยอะไรหรือเปล่าคะผมมีร่องรอยพิรุษอะไรหรือครับผมต่างคนต่างจ้อง แล้วต่างคู่หัวเราะกันออกมาอย่างเท่าทันในหัวใจของแต่ละฝ่ายเป็นการสับพยอกหยอกเอินกันอย่างแสนสุขเป็นยังไงบ้างสาหรับอิซาเบลและคริสติน่าถามให้ชัดเจนสิครับสำหรับคำว่าเป็นยังไงบ้างนั่นนะ่ะเพราะฟังแล้วมันลึกล้ำเหลือเกินเขาปฏิบัติต่อคุณดีเลวแค่ไหนในฐานะนายจ้างสาวในฐานะนายจ้างก็ปกติธรรมดา แต่ในฐานะแพทย์ทั้งคู่ดีมากเป็นพิเศษเอระพินเกาที่ต้นคอแรงแรงผมว่าคุณหญิงอย่าไปสนใจอะไรในผู้หญิงอเมริกันสองคนนี่ไม่ดีกว่าหรือครับเอก็จะสนใจนี่ทำไมละ่ะเขาดีต่อคุณเท่าไรฉันก็จะต้องยิ่งขอบใจเข้ามากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนพิการอย่างไรบ้าง ฉันรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณของเขาอยู่รู้ไหมหนี้บุญคุณเรื่องอะไรอีกฝ่ายพงกศ์สีะขึ้นมาอีกแต่ดารินกดให้กระแทกลงไปกับตักตามเดิมก็เรื่องที่เขาช่วยรักษาพยาบาลดูแลคุณให้รอดมาได้น่ะสิรพินจุ๊บปากเบาๆนั่นมันก็เรื่องธรรมดาอยู่แล้วผมเป็นคนนำทางปล่อยให้ผมเจ็บป่วยนอนอยู่กับที่หรือตายลงไปใครจะนำทางให้กับเขาละ่ะ ค่าจ้างก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วคุณหญิงไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องไปขอบอกขอบใจเขาเลยดูคุณจะพยายามกีดกันฉันไว้เหลือเกินนะเหมือนกับว่าไม่อยากจะให้รู้จักใกล้ชิดกันงั้นแหละโทษคุณหญิงพรุ่งนี้ก็คงจะเจอกันแล้วครับทั้งสองคนนั่นก็รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของคุณหญิงดีที่สุดเห็นแม้กระทั่งรูปถ่ายของคุณหญิงที่ผมใส่อยู่ในกระเป๋าตลอดเวลา ไอบริวารลูกน้องของผมแต่ละคนก็ล้วนแต่จงรักภักดีกับคุณหญิงทั้งนั้นทั้งๆ ท, ที่คุณหญิงก็ไม่ได้สั่งมันสักนิดแต่พวกมันแต่ละคนคอยจับตามองสำรวจความประพฤติของผมอยู่ตลอดเวลาและขู่เข็นผมไว้สารพัดที่จะไม่ให้สนิทสนมอะไรกับสองคนนั่นเกินไปนักผมนั่งหมัน่นไส้ไอ้ลิงสี่ตัวของคุณหญิงเต็มทีอยากจะเตะให้ก็หลายครั้งแต่มาคิดอีกที พวกนี้มันก็ทำถูกแล้วมันรักบูชานายหญิงของมันมั่นคงอยู่คนเดียวไม่ต้องการให้ผมพลั้งเผลอถลถะเถลิกไปทางใดทั้งสิ้นก็เลยต้องแอบขอบใจมันอยู่เงียบๆดารินชะม้มองเขาด้วยหางตาเอานิ้วเคาะลงไปที่หน้าอกบริเวณหัวใจของเขาแล้วก็พลั้งเผลอไปบ้างหรือเปล่าล่ะถึงจะเผลอไพรไปบ้างก็ไม่ว่ากันนะป่ามันเปรี่ยวไพรก็แสนที่จะกันดาน ทั้งสองคนนั่นก็สวยจัดด้วยกันทั้งคู่ซิด้วยเข้าใจเลือกสรรคัดตัวกันมาซิจริงๆพวก c ซ a นี่อย่าล้อผมเล่นอย่างนี้ครับคุณหญิงใจผมไม่ค่อยดีอย่างไรพิกล่นฉันคุยกับคุณดีๆนะคะไม่ได้ต่อว่าต่อขานหรือคิดจะมาจับผิดอะไรเลยหลอนมีอาการขันที่เห็นสภาพเดือดเนื้อร้อนใจของเขาคุณหญิงเป็นคนฉลาด เอาไว้พบหน้าทั้งสองคนนั่นเสียก่อนเถิดครับแล้วคุณหญิงจะอย่างทราบได้ดีทุกอย่างบุญคำจันเกิดเสยก็คนอื่นคนไกลที่ไหนถึงแม้จะเป็นลูกน้องของผมแต่ก็เป็นบริวารผู้ภาคดีของคุณหญิงทั้งนั้นพวกนี้จะไม่มีวันปกปิดคุณหญิงหรอกฉันพูดคุยสารทุกสุขดิบสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณในระหว่างที่รอนแรมอยู่ในป่าเท่านั้นนะด้วยความรักและเป็นห่วง ไม่ได้มาสอบสวนจับผิดอะไรคุณทั้งสิ้นผมเข้าใจในข้อนั้นแต่บอกแล้วว่าใจมันไม่ค่อยดีกลัวคุณหญิงจะคลางแครงใจผมที่ตามมานี่นะก็เพราะความรักและห่วงใยในชีวิตของคุณนะหล่อนก้มลงไปบอกริมหูเขาไม่ได้ตามมาเพราะความคลางแคลงหรือหึงหวงหรอกเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตามให้เสียเวลาเสียทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจไว้ด้วย เข้าใจยิ่งกว่าเข้าใจเสียอีกในข้อนั้นเข้าใจอีกด้วยว่าคุณหญิงหนัดใจกว้างยิ่งกว่ามาหาสมุทรเสียอีกในเรื่องแบบนี้อย่าไซโคฉันยิ่งบ้ายออยู่ด้วยแล้วเด็กๆของฉันสี่คนนะะั่นล่ะเป็นยังไงบ้างฉันคิดถึงเขาทุกคนแทบไม่น้อยไปกว่าคุณทีเดียวนะรพินหัวเราะมีเด็กอยู่แค่สองคนเท่านั้นครับอีกคนหนึ่งแก่แล้วส่วนอีกคนหนึ่งไอ้เท่าจอมกะล่อนเทเลน นั่นแหละอายุไม่สำคัญหรอกเขาเป็นเด็กสำหรับฉันก็แล้วกันบุญคําจันเกิดแล้วก็เสยสบายดีหรือพวกนี้สบายดีกว่าผมเสียอีกรอดปลอดภัยเรียบร้อยกันดีหมดทุกคนทุกสถานการณ์ถ้าพบเห็นคุณหญิงเมื่อไหร่คงดีใจการชนิดลุกขึ้นเต้นไปทีเดียวกระมังทุกคนพูดถึงคุณหญิงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญคำอูทะพตัตโตและพวกลูกหาบทุกคนก็ไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรรอดภายพิบัติวุดวิตได้จนถึงที่นี่กันหมดทุกคนนั่นแหละครับฉันดีใจจังที่ได้รับฟังข่าวนี้จากคุณขอถามในภาพรวมหน่อยนะตลอดระยะการเดินทางเข้ากันได้ดีหรือกับอเมริกันพวกนี้ฉันรู้สึกวิตกและเป็นห่วงคุณอย่างที่สุดที่รู้ว่า คุณต้องถูกบังคับให้นำทางแก่พวกปฏิบัติงานสายลับไม่เพียงแต่ฉันเท่านั้นทุกคนเป็นห่วงเหมือนกันหมดรพินนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งศรีษะยังคงวางผ้าตักหล่อนอยู่เช่นเดิมเมื่อหล่อนย้ำคำถามมาอีกครั้งจึงบอกด้วยน้ำเสียงราบเรียบเป็นการไปงานขึ้นว่าก็เป็นธรรมดาอยู่บ้างในระยะต้นๆของการเดินทางที่บรรยากาศมันเต็มไปด้วยความน่าอึดอัด ผมก็ไม่ได้ไว้วางใจพวกเขาเท่าเท่ากับที่พวกเขาก็มีท่าทีพิกลอยู่แต่พอระยะการเดินทางมันยาวไกลออกไปต่างฝ่ายต่างร่วมเสี่ยงตายด้วยกันจนนับครั้งไม่ถ้วนพวกเขาก็รู้จักผมดีและมีความเป็นมิตรที่ดีขึ้นตามลำดับคุณหญิงคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าใครก็ตามที่มาเดินป่าอยู่กับผมคงไม่โง่พอที่จะคิดร้ายหรือวางตัวเป็นศัตรูกับผมหรอกในข้อนั้นฉันเชื่อ แต่อยากจะถามความรู้สึกในส่วนลึกของตัวคุณเองว่าคุณสามารถไว้วางใจพวกเขาได้สนิทเพียงไหนสมมุติว่าภายหลังจากคุณทำงานให้เขาเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเสียงของหล่อนเย็นเนิบมือลูบไล้อยู่กับทรงอกเขาตามปกติธรรมชาติส่วนตัวของผมไม่เคยชะล่าหรือไว้วางใจต่ออะไรทั้งสิน้นเขากล่าช้าๆอย่างใคร่ครลึกตลอดระยะทางที่ผ่านมา ผมก็เฝ้าถามตัวเองด้วยประโยคเช่นนี้เหมือนกันแล้วในที่สุดก็สามารถหาคำตอบได้เป็นการสแสวงหาได้เองจากประสาทสัมผัสนั่นก็คือผมแน่ใจว่าคนพวกนี้จะไม่มีวันหักหลังผมอย่างเด็ดขาดแม้ว่าเขาจะมีโอกาสก็ตามความคิดเช่นนี้มาเกิดขึ้นกับผมในระยะหลังๆนี่เองทิศทางแห่งชีวิตและหน้าที่การงานของพวกเขาจะเป็นเช่นไรก็ตามทีแต่โดยความรู้สึกทางส่วนตัวแล้ว พวกนี้ได้แปลสภาพมาเป็นมิตรที่จะไม่มีวันทรยศหักหลังผมได้อีกแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะตั้งตนอยู่ในความประมาทดารินพยักหน้าช้าๆยิ้มออกมาอย่างชื่นชมเอาละฉันเข้าใจและดีใจมากที่เหตุการณ์มันทำให้คุณมีความรู้สึกได้เช่นนั้นคุณหมายถึงทุกคนเลยหรือไม่ใช่หมายถึงเฉพาะแต่แม่สองสาวนั่น ทุกคนของฝ่ายอเมริกันที่มาครับไม่ว่าจะเป็นสเตลลี่หรือคิดผมยอมรับว่าในครั้งแรกๆพวกนี้น่ากลัวมากทีเดียวแต่โดยแท้จริงแล้วพวกเขาเสียเปรียบฝ่ายผมมากถ้าเกิดอะไรขึ้นในป่าทางด้านการเป็นปฏิปักษ์หรือจำเป็นจะต้องเป็นศัตรูกันพวกเขานั่นแหละจะเป็นฝ่ายพี่นาศไม่ใช่ผมหรอกเข้าป่ามากับผมพวกเขาต่อให้ยิ่งใหญ่มาจากไหนก็ตามที ก็เปรียบเหมือนลูกไก่เชื่องเชื่องกำมือผมและไม่เฉพาะพวกเขาทั้งนั้นไม่ว่าใครทั้งสิ้นในป่ากันดารคืนทําตัวเป็นศัตรูกับผมก็เท่ากับหาเรื่องฆ่าตัวเองเท่านั้นหลอนหัวเราะเบาๆก็คงจะเหมือนกับชั้นในสมัยนั้นกระมังที่พยายามจะปราบคุณให้ได้ในป่าแต่แล้วกลับกลายเป็นว่าตัวเองนั่นแหละถูกปราบเสีย อ, อยู่หมัดชนิดกระดิกไม่ได้ทีเดียว แม้แต่หัวใจก็ยังถูกยึดไปหมดรู้ตัวไหมค้ารบพินในป่าแล้วคุณมีทั้งพลานุภาพและสเสน่ห์ชนิดที่หาใครในโลกนี้เทียบไม่ได้จริงๆแต่ในเมืองหรือในแสงสีแห่งอารยธรรมแล้วก็คือไอ้บ้านนอกคอกนาคนหนึ่งใช่ไหมครับดารินพยักหน้าจับปลายจมูกเขาสั่นเบาๆใช่แล้วยิ่งกว่าบ้านนอกซะอีกคนดงคนดอยทีเดียวแหละ แต่ฉันก็พอใจที่จะฝังชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขกับคนโดงคนนี้ได้ยินไหมถึงคููหญิงไม่พูดออกมาผมก็เชื่อมั่นเช่นนั้นแล้วเป็นการเชื่อมั่นอย่างภาคภูมิใจและปราศจากปมด้อยอีกแล้วโดยสิ้นเชิงดีมากฉันต้องการให้คุณมีความรู้สึกเช่นนี้แหละยังถามไม่จบแล้วนายทหารหนุ่มไทยอีกคนหนึ่งที่ติดตามมาด้วยละ่ะพันตรีเชิดวุฒ นั่นเป็นบุคคลเคราะร้ายที่น่าสงสารที่สุดครับในการติดมากับคณะในครั้งนี้ด้วยผมสงสารเขามากกว่าทุกคนและมองเห็นเหมือนน้องชายเขาเป็นคนน่ารักมากซึ่งก็โชคดีที่ตลอดระยะทางเขามักจะรอดปลอดภัยเสมอไม่เคยเป็นอะไรกับใครเขาเลยและสามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดเวลาเทพประจำตัวของเขาดีมาก ที่ว่าเคราะหร้ายก็เพราะต้องมาพลอยเหนื่อยยากแสนสาหัสเสี่ยงชีวิตร่วมกับอเมริกันพวกนั้นด้วยเขามีหน้าที่เป็นตัวแทนของกองทัพเราเพื่อประสานงานระหว่างผมกับฝ่ายอเมริกันพวกนั้นเป็นตัวการชนด้วยและผมมีความอุ่นใจอยู่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะต้องยืนอยู่ทางฝ่ายผมอันเป็นเลือดไทยด้วยกันไม่ได้เห็นว่าฝรั่งเป็นนายเลย ดารินสูดลมหายใจลึกเต็มไปด้วยความแช่มชื่นนี่ต้องถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับฉันที่ได้รับทราบอย่างกระจ่างชัดเสธีว่าทุกคนร่วมทางกับคุณมาในฐานะมิตรที่พอจะไว้วางใจกันได้และตลอดระยะทางก็มีความกลมเกลียวสามัคคีกันดีฉันเป็นห่วงกังวลอยู่ตลอดเวลาในเรื่องนี้กลัวว่าพวกนั้นจะคิดหักหลังคุณ กลัวคุณจะไปฆ่าพวกเขาเสียหรือเกิดเรื่องร้ายๆอะไรขึ้นเพราะความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเมื่อสามารถที่จะเข้ากันได้ดีเช่นนี้ก็ต้องนับว่าประเสริฐสุดฉันมีความเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันระพินนั่นก็คือในป่าแล้วไม่มีใครจะมาทำอะไรคุณได้แต่ถึงอย่างนั้นใจมันก็คิดพวกพวนระแวงไปสารพัดไม่ต้องทาหน้าอย่างนั้น ที่พูดว่าระแวงไปไม่ได้หมายถึงว่าฉันจะระแวงอะไรเกี่ยวกับแม่สาวผมแดงหรือผมทองคู่นั้นแต่ระแวงในเรื่องความปลอดภัยของคุณมากกว่าอื่นใดทั้งสิ้นไม่เพียงแต่ฉันเท่านั้นแม้แต่พี่ใหญ่พี่กลางหรือชายยันตลอดจนคุณอัมพลก็ลว้นวิตกอยู่ในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันมาได้รับทราบจากปากของคุณว่าสามารถครบหากันได้ด้วยความเป็นมิตรอันดีก็รู้สึกเป็นสุขและโล่งอก ก็ได้แต่ภาวนามาตลอดที่เป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพของคุณซึ่งบทจะแข็งแรงก็ยิ่งกว่าแรดแต่ถ้าจะอ่อนแอลงเมื่อไหร่ก็ยิ่งกว่าเด็กเล็กๆฉันไม่แน่ใจว่าคุณเกิดอาการขึ้นเช่นนั้นแล้วพวกเขาจะเข้าใจจะรักษาพยาบาลคุณได้ถูกต้องไหมจะเหมือนกับที่ฉันเคยดูแลคุณไหมก็ไม่เหมือนกันกันกบคุณหญิงหรอกครับ แต่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งมันก็คุ้มค่าในการรับใช้อย่างซื่อสัตย์สุจริตของผมที่มีต่อพวกเขาจุดที่ดีอีกประการหนึ่งที่ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะมีกันได้ก็คือความอดทนต่ออารมณ์อัห ง, ง, งุดหงิดขุนัวอยู่ตลอดเวลาของผมได้นำทางมาคราวนี้ผมเหมือนคนบ้าก็ดีอยู่อย่างที่พวกเขาไม่ถือสาอะไรหรือมันอาจเป็นเพราะภาวะจำยอมก็ได้ เพราะมาคิดได้ว่าหลวมตัวเข้ามาในป่าหลงสำรวจกับผมแบบนี้แล้วถ้าขืนสำแดงอะไรออกมาก็เท่ากับหาเคราะห์ใส่ตัวซิเปล่าๆเพราะชีวิตของพวกเขาทุกคนอยู่ในกำมือผมตลอดยกเว้นแต่ตอนที่ผมจับไข้ได้ป่วยบางขณะเท่านั้นหลอนสันศีสันน้อยๆไม่เห็นด้วยกับคำพูดของเขาฉันว่า ทั้งหลายแหละมันน่าจะเกิดจากนิสัยใจคอในส่วนลึกของพวกเขาแต่ละคนมากกว่าพวกนี้จะต้องเป็นคนดีพอสมควรทีเดียวและเขาสามารถอ่านคุณได้ออกว่าคุณเป็นคนอย่างไรโดยที่เขาควรจะปฏิบัติด้วยอย่างไรไม่ใช่เพราะภาวะจำยอมหรอกพวกเขาอาจพอเข้าใจในท่าแท้ของคุณก็ได้เหมือนเหมือนอย่างที่ฉันเคยพบมาก่อนแล้ว คุณหญิงมีจิตใจเอื้ออารีและมองคนทุกคนในแง่ดีเสมอเป็นน้ำใจที่งามสะอาดบริสุทธิ์โดยแท้เขาเพึมพมออกมาจากแก่นลึกของหัวใจเรามีโอกาสได้พบกันก่อนในคืนนี้ตามลำพังนะ่ะเป็นการดีมากรู้ไหมเพราะฉันจะได้มีโอกาสคุยซักถามอะไรคุณเกี่ยวกับแบกกราวของคนเหล่านั้นไว้ซสก่อนตื้นลึกหนาบางทุกชนิดก็จะได้รู้ไว้เป็นทุนล่วงหน้า ก่อนที่จะพบเขาด้วยตนเองจะได้วางตัวได้ถูกต้องอยากจะรู้อะไรก็ถามมาได้ทุกอย่างครับไม่มีอะไรที่ผมจะต้องอํมพรางปกปิดคุณหญิงเลยไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิน้นความจริงฉันมีรูปถ่ายและรูปประพันธ์โดยคร่าวๆของอเมริกันทั้งสี่คนไว้ในมือก่อนแล้วนะได้มาจากคุณอําพลแต่มันยังไม่ละเอียดนักหล่อนกล่าวช้าๆแต่ถ้าได้รับฟังจากคุณ ซึ่งครุกครีร่วมทางกันมาโดยตลอดคงจะทำให้ยิ่งกระจ่างขึ้นเอาสั้นๆเท่านั้นฉันอยากจะทราบอุปนิสัยใจคอพื้นฐานทางอารมณ์ของอเมริกันทั้งสองคู่สี่คนนี่ไว้เท่าที่คุณได้ศึกษาเรียนรู้มาผมจะเริ่มยังไงดีเอาทีละคนหัวหน้าคณะก่อนดรสแตนลีย์สุขุมเยือกเย็นมีเหตุผล และจะเลือกเอาทางประนีประนอมไว้ก่อนเสมอถ้าหากเกิดปัญหาขัดแย้งขึ้นเขาวางตัวในฐานะหัวหน้าทีมงานได้ดีมากพันเอกคิดบุมบามุทรลุบ้าเลือดอวดดีโอหังดูภายนอกว่าเหี้ยมหานทรหดดีแต่แก่นแท้อ่อนแอไปหน่อยแต่เมื่อคุ้นเคยกันไปนานแล้วเขาจัดได้ว่าเป็นคนคบง่ายเป็นมิตรดีคนหนึ่งแปลว่าไม่มีปัญหาหนักใจอะไรสาหรับคุณ ครั้งแรกก็อาจมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ในที่สุดก็กลายเป็นเพื่อนสนิทของผมไปคนหนึ่งเอาละทีนี้ก็มาถึงแม่โชมงามเรากับดาราภาพยนตร์สองคนนั่นดารินวางหน้าเฉยซ่อนยิ้มว่าแต่ฉันควรจะถามถึงใครก่อนดีระหว่างผมสีทองกับผมสีแดงรพินหัวรันขันๆมองสบตาหล่นอย่างรู้ทันแล้วมันต่างกันยังไงล้ครับ ในการที่จะเลือกถามถึงคนไหนก่อนหน้าหรือภายหลังสำคัญสิเพราะคนที่สำคัญและทำให้ฉันต้องสนใจมากที่สุดควรจะเป็นคนสุดท้ายของคำถามผมเดาไม่ถูกว่าคนไหนที่คุณหญิงสนใจมากที่สุดและอะไรถึงต้องทำให้สนใจมากที่สุดจะบอกให้ก็ได้คนที่ฉันมองจากภาพถ่ายแล้วพิจารณาเห็นว่าน่าจะถูกกับรสยมของคุณมากที่สุดนั่นแหละ ความจริงก็สวยจัดด้วยกันทั้งสองคนแต่อีกคนหนึ่งคมเฉียบลึกซึ้งกว่าบอกตามตรงเห็นจากรูปถ่ายแล้วฉันแทบไม่อยากเชื่อเลยว่า CIA จะส่งผู้หญิงที่มีคุณสมบัติในรูปโฉมถึงขนาดนี้มาเพื่อปฏิบัติการอันยากลำบากเสี่ยงอันตรายที่สุดในครั้งนี้เหมือนจะมีเจตนาอะไรแอบแฝงอยู่งั้นแหละเจตนารัพินขมวดคิ้วแต่ยังยิ้มยิ้ม อะไรครับดึงดูดล่อใจเชื้อเชิญและชักชวนให้เกิดการตัดสินใจง่ายขึ้นสำหรับพรานนำทางที่ชื่อรับพินไพรวันยังไงล่ะตอนนี้คุณหญิงอาจคิดมากไปแล้วกระมังครับขณะที่พูดต่ำๆพรานใหญ่ดึงกายขึ้นจากตักของหล่อนช้าๆและรูปร่างของแม่ดอกฟ้าดารินเข้ามาเอ็นพิงไว้กับอกผู้หญิงทั้งสองคนนั้นมีความสามารถเฉพาะตัวที่จาเป็น สำหรับงานในครั้งนี้อย่างแท้จริงแม้ว่าหลอนทั้งสองจะมีหน้าตาดีไปบ้างก็เป็นเรื่องบังเอิญเท่านั้นผมไม่คิดว่าต้นสังกัดจะมีเจตนาอะไรในเรื่องนี้นอกจากพิจารณาถึงความสามารถเฉพาะตัวครั้งแรกผมก็คิดอย่างคุณหญิงเหมือนกันแต่ภายหลังจึงรู้ว่าเหตุใดต้นสังกัดของหลอนจึงคัดตัวส่งมาคนหนึ่งมีความรู้ความชนานาญทางเคมีฟิสิกโดยเฉพาะ เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในเรื่องกรรมนตภาพรังสีอีกคนเป็นแพทย์ผู้ชำนาญในเรื่องโรคเมืองร้อนทั้งคู่ผ่านหลักสูตรการรบในป่ามาแล้วถ้างั้นฉันถามถึงแม่ผมแดงหุน่นอวบอัดยังกระดาวยั่วคนนั้นก่อนเบลถ้างั้นผมก็รู้แล้วว่าคุณหญิงพิจนาใครเป็นคนที่น่าสนใจที่สุดสาหรับคุณหญิงเขาเอานิ้วแตะปลายจมูกของหลอน ดารินปัดออกไปเบาๆเร่งมาว่าตอบคำถามของฉันเวลเป็นคนรื่นเริงสนุกสนานและขี้เล่นตลอดเวลาครับไม่จริงจังต่ออะไรทั้งสิ้นเปิดเผยเป็นมิตรกับทุกคนมีน้ำใจในการร่วมกับหมู่คณะได้ดีแต่ค่อนข้างจะสร้างปัญหาในการที่ประมาทและไม่ค่อยจะปฏิบัติตามข้อห้ามหรือคำสั่งของผมนักซึ่งทาให้ตัวเองต้องเคราะหร้ายอยู่บ่อย และเป็นคนไม่ค่อยจะรู้จักการสํารวมพูดอะไรโดยไม่ค่อยใช้ความคิดและมักจะเป็นเรื่องไร้สาระเสมอทีนี้ก็ถึงบุคคลที่ฉันเห็นว่าสำคัญที่สุดแล้วละ่ะคนสุดท้ายคริสติน่าใช่แม่ผมทองตาลึ ก, กลับจนมองไม่เห็นก้นบ่อของหัวใจคนนั้นแหละฉันอาจวิเคราะห์ผิดไปก็ได้นะเพราะเท่าที่เห็นก็เพียงแต่รูปถ่ายเท่านั้น อืมผมจะบอกกับคุณหญิงยังไงดีล่ะคริสเป็นมือทำงานตัวากาศของคณะครับแข็งแรงปราดเปรียวผิดไปจากรูปร่งางลักษณะภายนอกมากเฉียบขาดดุดันและฉลาดลึกผมยอมรับว่าดูหล่อนไม่ค่อยจะออกนะักเพราะหล่อนลึกอย่างที่คุณหญิงเข้าใจนั่นแหละแต่หลอนก็พิสูจน์ให้เห็นชัดได้ว่าสามารถเป็นมิตรที่ดีได้คนหนึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น นี่คือลักษณะของผู้หญิงคนนี้เท่าที่ผมจะรวบรวมมารายงานให้คุณหญิงทราบได้อ๋อมีแต่เฉียบขาดดุดันเท่านั้นเองหรืออ่อนหวานน่ารักไม่มีบ้างเชียวหรือรพินอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้อีกแต่ปลายคางแม่ยอดรักเสยให้เงยขึ้นเพื่อศบตากันอ่อนหวานก็อาจมีบ้างในบางเวลาสำหรับอเมริกันสาวทั้งสองคนนั้น แต่น่ารักนั้นเห็นจะไม่มีแน่เพราะความน่ารักทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้สำหรับผู้ชายที่ชื่อรพินไปจมสนิทถอนตัวไม่ขึ้นอยู่กับดารินวราวราฤเียแล้วพูดเก่งขึ้นมากนะนายพรานของฉันฟังแล้วทำให้เป็นสุขเพิ่มขึ้นอีกเยอะเชียวและพวกเขาสี่คนที่มาด้วยกันเป็นทีมนั่นนหะมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไรบ้างทั้งสี่คนสองคู่ มีอุปนิสัยใจคอและทัศนคติแตกต่างกันออกไปแต่จะร่วมมือสามาัคคีกันได้ดีมากเมื่อเกิดความจำเป็นขึ้นถือว่าเป็นทีมเวิร์ที่ต้นสังกัดจัดมาให้ทำงานได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมที่เดียวทุกคนกล้าหาญเสียสละและให้การช่วยเหลือหมู่คณะทั้งหมดได้อย่างดีสามารถปรับตัวเข้ากับพรานพื้นเมืองของผมและพวกลูกหาบได้ดีมากแม้ระยะต้นๆจะขลุขักกันบ้าง และคุณหญิงจะได้เห็นและรู้จักทุกคนตอนที่เราพบกันทั้งสองคณะเป็นทางการพรุ่งนี้พวกนั้นคงจะดีใจตื่นเต้นมากถ้าทราบว่าฝ่ายของคุณหญิงได้ติดตามมาและได้มารอคอยอยู่ก่อนแล้วในมรกรนครนี่พักพวกฝ่ายฉันก็คงจะตื่นเต้นดีใจมากเหมือนกันคราวนี้ก็มาถึงปัญหาสำคัญแล้วรพินอะไรที่ทาให้คุณนาคณะของคุณทั้งหมด มุ่งมาที่มรกรณครนี่สังหอนประสาทสัมผัสที่6ผมแน่ใจว่าเครื่องหายเข้ามาอับปางที่นี่แหละมิฉะนั้นพวกเขาซึ่งมีเครื่องมือทันสมัยสารพัดชนิดคงจะค้นหาตำแหน่งตกได้เองแล้วคงไม่เสี่ยงมาให้ผมนำทางหรอกในมโนทวารของคุณที่เห็นแง่ า, ายมาพบปะพูดจาสนทนานด้วยอยู่บ่อยๆเขาไม่ได้บอกคุณห ร, อหรือว่าเครื่องมาตกอยู่ที่นี่ เงาทายไม่ได้บอกอะไรผมเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพียงแต่พูดเป็นในให้ผมมุ่งหน้ามาที่นี่เท่านั้นไม่ใช่เพื่อค้นหาเครื่องตกแต่มาเพื่อค้นหาให้พบมงกุฎรักของผมให้ได้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจที่เขาพูดจนกระทั่งได้มาพบเห็นคุณหญิงเดี๋ยวนี้แหละผมจึงเข้าใจได้โดยตลอดแล้วเมื่อฝ่ายคุณขึ้นหัวถนนพระศิวะได้พบกับอรชุนและกองทหารที่ไปดักรอรับอยู่ คุณได้สอบถามผู้เท่าออรชุนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วหรือยังหมายถึงเครื่องที่มาอับปางอยู่ที่นี่รพินพยักหน้าครับอทรชุนบอกให้ผมและทุกคนทราบแล้วว่าเครื่องที่เราติดตามค้นหาอยู่นั้นได้มาอับปางอยู่ในดินแดนนี้และบอกด้วยว่ามันได้ตกอยู่หลังปราสาทของมหาอุมาเทวีอันเป็นสุสานของราชวงศ์เทพและขุมสมบัติของพระอุมาฝ่ายอเมริกันทั้งหมด กระหายอยากจะไปดูให้เห็นกับตาเสียพายในคืนนี้เลยแต่อรชุนขอร้องให้เดินทางเข้ามาในพระนครเพื่อพักผ่อนเสียก่อนโดยรับปากว่าพรุ่งนี้จะนําพวกเราทั้งหมดไปดูจึงนับว่าเป็นโชคประเสริฐของผมอย่างที่สุดสําหรับการบ่ายหน้ามาที่นี่เพราะนอกจากผมจะสําเร็จผลโดยเป็นมคุเทพนําทางมาจนพบเครื่องบินตกตรงเป้าหมายแล้ว ผมยังได้พบยอดรักในดินแดนนี้พร้อมกันไปด้วยนี่คือรางวัลจากสวรรค์ที่ประธานมาให้กับคนที่เกิดมาอาภัพตลอดชีวิตทั้งที่ผ่านมาแล้วผมควรจะพบกับความโชคดีเสตีโชคดีเสตีพร้อมกับประโยคสุดท้ายรพินกอดดารินและเขย่าในอ้อมกอดไปมาด้วยอาการดีใจมันเขียวที่สุดในชีวิตของเขาซึ่งไม่เคยปรากฏมีมาก่อน พวกเจ้านายอเมริกันของพวกคุณนั้นว่ายังไงมั่งละ่ะที่โผล่เข้ามาเห็นคนครรับแลในแดนสนธยาแห่งนี้พวกเขาไม่ตกตะลึงงงกันไปหมดหรือว่าในเซี่ยวส่วนอันลี้ลับที่สุดของพื้นพิภพนี้ยังมีประเทศอีกประเทศหนึ่งซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ม่านหมอกโดยไม่มีบันทึกไว้ในภูมิศาสตร์โลกครับพวกเขาตื่นเต้นกันจนบอกไม่ถูก และอยู่ในสภาพที่มึนงงเหมือนตกอยู่ในความฝันอันจะเชื่อเสียไม่ได้ในทันทีที่มองเห็นกองทหารของออรชุนมาดักรอรับอยู่ตรงหัวถนนแต่พวกเขาก็ได้รับรู้ไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วคือระหว่างที่เรามาหยุดพักหาทางขึ้นกันอยู่ที่เนินพระจันทร์ผมเห็นว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่แล้วจึงบอกเล่าให้เขาได้ทราบกันเสียก่อนล่วงหน้าว่าในวงล้อมของเทือกพระศิวะ อันสลับซับซ้อนที่เรากำลังจะหาทางไต่ขึ้นมานั้นมีนครหลงสำรวจอยู่นครหนึ่งซ่อนเร้นอยู่เป็นอาณาจักรโดยเฉพาะของตนเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกผมอธิบายให้เขาทราบความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับมรกนครดังนั้นเมื่อเขาได้มาพบกับของจริงเขา้าแม้จะตื่นเต้นกันสักขนาดไหนพวกเขาก็ได้รับทราบมาก่อนแล้วเป็นข้อยืนยันว่า ผมไม่ได้โกหกหลอกลวงเขาและยิ่งมารู้ว่าเครื่อง B52 ร่วงอยู่ในดินแดนแ ห, แห่งนี้จริงพวกเขาก็ดีใจกันอย่างที่สุดปัญหาที่ว่าจะกู้ระเบิดกลับคืนไปได้อย่างไรหรือไม่นั้นต่างก็ไม่ได้คิดกันอีกแล้วขอเพียงให้ได้ไปพบซากเครื่องตกกับตาเท่านั้นทุกคนก็ถือว่าการเดินทางครั้งนี้ภายใต้การนาของผมสำเร็จผลลงแล้วครบสิ้นทุกอย่าง ดารินขยับกายห่างออกจากเข้าเล็กน้อยจับมือทั้งสองของเขาไว้ฉันพอดีใจไปกับคุณด้วยในเรื่องนี้ระพินเราอาจมีเวลาเหลืออยู่สักสองชั่วโมงก่อนสว่างฉันอยากจะชวนคุณให้ไปยังปราสาทรับรองที่ฝ่ายของฉันนอนพักอยู่ในขณะนี้อยากจะให้พี่ใหญ่พี่กลางชัยยันและฝ่ายเราทุกคนได้พบเห็นคุณเสียก่อน พวกเขาคงจะดีใจกันจนบอกไม่ถูกทีเดียวถ้าเห็นคุณโผล่เข้าไปในเวลานี้คุณจะไปกับฉันไหมเดี๋ยวนี้เลยจูจูดารินก็เป็นฝ่ายชวนขึ้นอย่างกระทันหันรพินชะ ง, งักไปอยู่ในภาวะอึกอักลังเลต่อเมื่อหล่อนกระตุ้นมือเขาและรบเร้ามาอีกจอมพรานจึงยิ้มออกมาจิดจืดพูดตะกุกตะกักคุณหญิงหมายถึงเดี๋ยวนี้เวลานี้เลยหรือครับ ใช่ไปกันเดี๋ยวนี้เลยลอนบอกโดยเร็วพร้อมกับลุกขึ้นยืนฉุดมือเข้าขึ้นมาด้วยระพินยังคงยืนอยู่กับที่เดี๋ยวครับคุณหญิงเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันจะไม่เหมาะกระมังครับทุกคนกําลังหลับสนิทหลับอย่างสบายที่สุดทําไมจะต้องถูกปลุกขึ้นมาเสิเดี๋ยวนี้ด้วยการเข้าไปปรากฏตัวของผมผมว่า ดารินยิ้มพรายสัมศีรษะไม่เห็นด้วยกับความรู้สึกของเขาในขณะนี้พร้อมกับบอกมาอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นใจเต็มที่ชนิดจะไม่ยอมให้อะไรมาเปลี่ยนความตั้งใจของหลอนได้ฉันว่าเหมาะเหมาะที่สุดเลยในการที่คุณจะไปพบกับพวกเราเสียก่อนที่จะรุ่งสว่างคุณไม่ต้องห่วงเรื่องการนอนของพวกเราหรอกทุกคนหลับพักกันมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วมีระยะเวลานอนที่ยาวนานเพียงพอ พวกเขาจะต้องดีใจและต้องการพบคุณอย่างที่สุดอุตส่าห์ตามกันมาจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแบบนี้แล้วถ้ามีโอกาสได้พบเห็นคุณเสก่อนเช่นนี้ทำไมทุกคนจะไม่ปรารถนาฝ่ายของพวกคุณนั้นไม่เป็นไรหรอกเอาไว้พบกันในวันพรุ่งนี้เป็นทางการก็ย่อมได้แต่คุณจะต้องปรีกตัวไปพบกับพวกเราทั้งหมดเสก่อนจะรอไปพบพรุ่งนี้นั้นมันช้าเกินไปและถ้าพวกเขารู้ว่า ในคืนนี้ฉันมีโอกาสได้พบคุณก่อนแล้วปิดเงียบไม่ยอมบอกให้พวกเขารู้และไม่นำเอาคุณไปพบพวกเขาด้วยเขาจะต้องโกรธฉันมากทีเดียวคุณน่าจะเข้าใจที่ฉันพูดนี่ได้ดีที่สุดโดยไม่ต้องให้อธิบายอะไรมากนะที่สำคัญที่สุดก็คือเวลามันยังมีพอสำหรับการที่คุณจะไปพบพวกเขาเสียก่อนตะวันขึ้น และฉันก็อยากจะถามคุณเหมือนกันว่าคุณไม่มีความรู้สึกที่อยากจะได้พบกับพวกเขาเสียโดยเร็วหรือขณะนี้ผมได้มีโอกาสได้พบกับคุณหญิงก่อนตามลำพังโดยเฉพาะไม่ใช่หรือครับรพินยังอยู่ในอาการสองจิตสองใจตัดสินใจไม่ถูกเราพบกันแล้วเราได้พูดคุยทำความเข้าใจกันได้เกือบจะโดยตลอดเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงแล้วฉันคิดว่า มันถึงเวลาที่คุณจะต้องไปแสดงตัวให้ปรากฏต่อหน้าพวกเราทั้งหมดที่ตามมาเสธทีคุณควรจะให้รางวัลอันเป็นความดีใจแก่พวกเขาในการพบเห็นคุณก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนล้วนห่วงคุณทั้งสิ้นพวกเขาไม่รู้ตัวเลยนั่นนี่ว่าจะมีโอกาสได้พบคุณหรือไม่เมื่อไรอย่างไร เพราะฉันก็บอกคุณแล้วว่าฉันไม่ได้บอกให้พวกเขาทราบถึงเรื่องที่เมยานีบอกกับฉันว่าระหว่างที่พวกเราเหยียบขึ้นถึงกลางถนนพระศิวะฝ่ายของคุณก็เหยียบขึ้นที่หัวถนนพวกเขาจึงยังไม่มีความแน่ใจไม่มีความหวังใดๆเลยว่าคุณจะมาถึงมรกรกนคร น, นี่หรือเปล่าพรานใหญ่เอาหลังมือขยี้ปลายคางเอางั้นหรือครับเอางั้นแหละไปพบเดี๋ยวนี้เลย ไปให้พวกเขาได้ปราบปลื้มดีใจกันและมีอะไรเราก็จะได้คุยกันในระหว่างพวกเรากันเองเสียก่อนโดยไม่ต้องมีฝ่ายนายจ้างของพวกคุณเข้ามายุ่งด้วยมันเป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดเลยรู้ไหมดีกว่าที่ทางฝ่ายต่างไม่ทันรู้ตัวเลยแล้วอยู่ๆก็ถูกฝ่ายของมรกรนคราจัดฉากให้เราทั้งสองฝ่ายมาประจัญหน้ากันซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นฉันยังนึกไม่ออกว่ามันจะชุลมุนวุ่นวายสักขนาดไหน ฉันรู้ว่าทั้งแง่ายและเมยานีต้องการให้มีการพบปะระหว่างคุณกับฉันโดยเฉพาะในคืนนี้ทำลำพังก่อนแต่ฉันจะใจร้ายเก็บเอาความปราบปลื้มปิติใจชนิดนี้ไว้คนเดียวมันก็ไม่ยุติธรรมกับพวกเราทุกคนฉันจึงอยากจะดึงคุณให้ไปพบกับพวกเราเสียเลยในคืนนี้เหมือนกันใจร้อนและรวดเร็วฉับไวเหลือเกินคุณหญิงนี่ระพินพูดพรางหัวเราะออกมาเบา โดยแท้จริงแล้วผมเองก็อยากจะได้พบคุณชายทั้งสองคุณชายยันและพวกเราที่มาด้วยกันทุกคนเสเดียวนี้แต่เกรงว่าจะเป็นการจู่โจมสร้างความตื่นเต้นตกใจจนเกินไปและก็ไม่อยากจะรบกวนเวลานอนของท่านเหล่านั้นแต่เมื่อเป็นความปรารถนายิ่งยวดของคุณหญิงเขาเว้นทิ้งคำพูดขาดหายไปเพียงแค่นั้นส่งมือไปให้จับซึ่งหล่อนก็คว้าหมับอย่างดีใจ แปลว่าคุณยอมไปกับฉันเดี๋ยวนี้ลอนร้องออกมาอย่างดีใจตกลงครับไปก็ไปชายโยดีใจจังดารินเผลอตัวร้องเอ็ดออกมาแล้วกระโดดเข้ากอดคอเขาเหมือนเด็กๆต้องอย่างนี้สิต่อไปนี้คุณจะต้องไม่เป็นคนดื้อสำหรับฉันอีกแล้วรู้ไหมน่ารักจังระพิน ว่าแต่คุณหญิงแน่ใจหรือครับว่าทั้งสามท่านคือคุณชายใหญ่คุณชายกลางและชายยันพอตื่นขึ้นมาเห็นผมตอนนี้จะไม่ช่วยกันไล่เหยียบคนละตุ๊บในฐานะที่ทำให้ท่านต้องลาบากรอนหัวรอเสียงใสเอาปลายจมูกปัดไปมากับปลายคางของเขาแล้วว่าถ้าแม้ว่าทั้งสามคนนั่นจะตื่นขึ้นมาแล้วประเคนคุณคนละกี่ตุ๊บคุณก็ต้องยอมให้พวกเขาตุ๊บซะ ด, ดยดี เพราะเขาตบคุณด้วยความรักและเป็นห่วงรับผินพยักหน้าตกลงครับผมจะลงนอนให้ท่านทั้งสามนั่นเหยียบตามสบายเลยถ้าท่านประสงค์จะเหยียบในฐานะที่ท่านอุตส่าห์ยอมเสี่ยงชีวิตติดตามผมมาว่าแต่คุณหญิงเถอะจะเหยียบผมบ้างไหมถ้าจะเหยียบก็จะได้ลงนอนให้เหยียบซะก่อนเป็นคนแรกในขณะนี้หลนปั้นหมัดต่อยเบาๆที่ลิ้นปีบอกว่า สำหรับฉันรอให้กลับไปถึงหนองน้ำแห้งเสียก่อนแล้วถึงจะเหยียบตอนนี้ยังไม่อยากเหยียบหรอกเพราะเห็นสารรูปแล้วอเน็ตอนาดใจนักผอมโซหรือแต่กระดูกถ้าเหยียบเสียก่อนตอนนี้ก็คงแบนเปล่าดีไม่ดีผ่านตายไปเลยรพินยิ้มอย่างมีความสุขซึ่งมีได้น้อยครั้งในชีวิตเคร่งเครียดตลอดการของเขาว่าแต่ผม คุณหญิงก็แทบจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเหมือนกันอกเอวตะโพกแทบจะไม่มีเหลือแล้วก็เพราะใครละ่ะหลอนศวนมาทันโดยเร็วค้อนตาควา่ำและปัดมือเขาเพียดโดยแรงจนรับผิดสูดปากเมื่อเขาเอื้อมมือไปทำท่าจะแตะต้องที่สวงอกห้ามแตะต้องเข้าใจถึงฉันจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกกระดูกของฉันก็แข็งน่าจะบอกให้ รับรองว่าถ้าจำเป็นขึ้นมาแล้วก็ตบแม่คริสหรือแม่เบลของคุณกระเด็นไปไม่รู้ทิศทางทีเดียวไม่เชื่อลองดูไหมน้อยแนะ่มาว่าเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเดี๋ยวก็แก้ให้ดูซอเท่านั้นฉันไม่ใช่พันเนื้อนมไขเหมือนแม่เบลคนนั้นนี่วายตายดุจางคุณหญิงของผมและขอปฏิเสธที่คุณหญิงพูดตะกี้นี้คริสกับเบลนะ่ะของคนอื่นไม่ใช่ของผมหรอก แต่คุณหญิงดาวรินต่างหากที่เป็นของผมฉันเคยไปเป็นของคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะอย่าพูดให้เสียนะอ๋อจริงพูดผิดไปไม่เคยเป็นรอบเพราะไม่ยอมเป็นเสียทีทั้งๆ ท, ที่น่าจะเป็นมาตั้งนานแล้วก็อยากโง่เองทําไมละ่ะผู้หญิงให้ท่าขนาดนั้นแล้วยังไม่มีปัญญาไปนอนจับสันงากงากซะนี่ต่อไปนี้รู้ไว้ซิ ด, ด้วย ถ้าขืนจับสั่นในเวลาอย่างนั้นอีกแล้วก็จะบีบจมูกซะให้ตายรู้แล้วรู้รอดไปเลยมัวแต่มาทำพูดเล่นไม่เป็นเรื่องอยู่นี่แหละไปกันเถอะดีไม่ดีป่านนี้พวกพี่ใหญ่อาจตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้และคงจะวุ่นกันไปหมดถ้าหากมองไม่เห็นฉันนอนร่วมอยู่กับพวกเขาด้วยไปครับว่าแต่คุณหญิงจำทางได้หรือไม่ใช่พาผมเดินวนอยู่ในอุทยานนี่จกนกระทั่งสว่างนะหลอนเงยหน้าขึ้นหัวเราะด้วย ขณะที่เอาศีรษะพิงไหลเขาและจับมือเขาให้มาโอบรอบเอวตนเองไว้ขณะที่เดินคลอไปด้วยกันรับรองว่าฉันนำทางคุณไปได้ก็แล้วกันอย่างมากถ้าหลงก็คงพาคุณเดินไปถึงปราสาทหน้าอันเป็นที่พักของพวกฝ่ายคุณซึ่งก็ดีเหมือนกันฉันจะได้ไปปลุกคริสกับเบลขึ้นมาสอบถามเสียเลยว่าพระนาทางที่ชื่อรพินเป็นยังไงบ้าง หมายความว่ายังไงที่ว่าเป็นยังไงบ้างนะ่ะไม่รู้ในอ้อมประคองของกันและ ก, กันมืออบอุ่นประสานมือทั้งสองเดินคลอกันลงมาจากแท่นหินอันกว้างใหญ่ของศาลาปาริชาติก้าวลงสู่พื้นของถนนโรยกรวดของอุทยาน